50 languages. Nineteen. Satnam. Kam Sanchan. Four. Samuch b o d h a k a e l l c h l d e n เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วโบอดเดรห์ฮูนเดบาบจุดโอแทรีย์โฮยาแหเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วอสิมิลนาสีเฟร์วิโอนนีายาแหโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับทีวีจึงชาร์ซีเฟร์วิโอส่งยา ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่เปบเดรกเฟรวีโแทรียเรเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาสาดีมลาคตสิเฟิรวีโาทั้ทงทางที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วรัศดาติลักนะห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ว์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห แล้วยังขับรถเอเด็กคนเดียวก็ไม่มีใ ह ीं है फ ่ र ตीเो ग ड ्ขी च ल ถเा है ทางที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว ल क न ต ह ล फ กนะीขो तेज गड्डी च รถเा ह วเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานเขาดื่มมากเขาขับมอเตอร์ไा है เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยปะลเลลิข์หงุดหถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม पैसा उसने ना बावजूद होन है दे गड़्डी खरीद दी เแต่อไม่ได้ต้ मिल रही เอมีอากเกม่ไป แต่เธอก็ยัุสเดโคล์ैงินไม่ห่อนฟิร์วีพวกเขาก็ซื้อรถ